พอเดินไปหาปลาในบริเวณที่ผู้หญิงถูกแทงตายก็มีคนถูกผี่ผู้หญิงคนนี้นี่หลอกกันนะคะไล่หน้าไล่หลังเอาสมมวกแทงก็ไม่ถูกวิ่งนี้ไปทางไหนก็ตามไปหลอกทั้งนั้นแม้แต่เข้าบ้านแล้วเมื่อเปิดแหน้าต่างออกไปดูก็ยังเห็นผู้หญิงคนนี้วนเรียนอยู่ข้างบ้านก็เล่นเอาผู้ชายคนนั้นไม่กล้าออกไปหาปลาคนเดียวอีกเลย